ทางหลวงมานล่อให้ทุกทนชีวิตว่ายเวียนบนนรกร้อนทางรอดรอดด้วยก ม, มลคงมั่นทาเหยสลัดกิเลสซ่อนสอนที่ผลทุกระทม จเจริญธรรมท่านผู้ฟังทุกท่านต่อจากนี้ไปมูลนิธิธรรมสันติซึ่งมีวัตถุประสงค์ทำรงรักษาบารุงส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาขอเสนอธรรมนิยายชุดพระอานุนพุทธอนุชาครั้งที่32จากปลายปากกาธรรมลิคิดของวสินอินทศรัณ ขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ในตอนที่แล้วเราก็ฟังมาถึงพระอราหันต์ห้าร้อยรูปโดยมีพระมหากัสสปะเป็นประธานในการทำสังคยา คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและจัดให้เป็นลาดับขั้นตอนจนสาเร็จโดยใช้เวลาสามเดือนที่ถ้ำสัตบัญจากนั้นพระอา น, นุนก็เดินทางมานครโกสมพีเพื่อประกาศลงพรหมทันแกพระชนะซึ่งเป็นพระหัวดือ้อแกพระภิกษุสามเณรให้ทราบโดยทั่วกันพระชนะเธอจะทาจะพูดอย่างไร สงไม่พึงว่ากล่าวนี้คือพรหมทันเป็นการลงโทษหนักที่สุดอันเป็นแบบอย่างของพระอริยบัดนี้ก็ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามในตอนต่อไป ท่านทั้งหลายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงสนทนากับคนฝึกมา้าผู้เชี่ยวชาญ น, นามว่าเกสิพระองค์ตรัสถามว่าดูก่อนเกสิท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฝึกมา้าตถาคตอยากทราบว่าท่านมีวิธีฝึกม้าอย่างไรนายเกสิทูลตอบว่าฝึกโดยวิธีละมุนละม่อมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้าง โดยวิธีทั้งละมุนละไมและทั้งรุนแรงบ้างเกสิถ้าม้าของท่านไม่รับการฝึกคือฝึกไม่ได้ท่านจะทำอย่างไรพระองค์พูดเจริญถ้าม้าตัวใดฝึกไม่ได้ข้าพระองค์จะฆ่าม้าตัวนั้นเสียทั้งนี้เพื่อมิให้เสียชื่อผู้ฝึกและมิให้ม้าตัวนั้นมีพืชพันธุ์ไม่ดีต่อไปพระองค์พูดเจริญ พระองค์มีชื่อเสียงปรากฏว่าเป็นยอดแห่งนักฝึกคนที่พอจะฝึกได้ก็พระองค์มีวิธีฝึกคนอย่างไรเล่าดูก่อนเกสิพระาศาสดาตรัสเราก็ฝึกบุคคลที่ควรฝึกอย่างนั้นเหมือนกันคือฝึกโดยวิธีละมุนละไมบ้างโดยวิธีรุนแรงบ้างทั้งโดยวิธีรุนแรงและละมุนละไมบ้างถ้าฝึกไม่ได้เล่าพระเจ้าขา้า นายเกสิทูลถามพระองค์จะทรงกระทําประการใดทรรมาฝึกไม่ได้เราก็ฆ่าเหมือนกันพระาศาสดาทรงตอบก็พระองค์ไม่ทรงทําปานาติบาตมิใช่หรือเหตุไฉนจึงตรัสว่าทรงฆ่ารู้ก่อนเกสิการฆ่าของเราเป็นการฆ่าแบบอริยะประหาร คือไม่ยอมว่ากล่าวสั่งสอนเลยทําเป็นประดุดบุคคลผู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกการลงโทษอย่างนี้รุนแรงที่สุดผู้ถูกลงโทษได้รับผลที่น่ากลัวที่สุดนายเกษิคนฝึกมา้าทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าแจมแจ้งดียิ่ง น, นัก พระอ น, นุนกล่าวต่อไปท่านทั้งหลายแ ล, แล้วเมื่อมีโอกาสประทับอยู่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ได้ทรงนำเรื่องมมามาเป็นบทประกอบพระธรรมเทศนาโอวาดภิกษุทั้งหลายมีใจความดังนี้ภิกษุทั้งหลายมมาบางตัวเพียงเห็นเงาประตักที่นายสารถิยกขึ้นเท่านั้นก็ทราบได้ว่านายต้องการจะให้ตนทำอย่างไร แล้วสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องชันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวว่าบุคคลโน้นอยู่บ้านโน้นแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างก็เกิดสังเวช ส, สลดจิตน้อมเข้าหาตัวว่าแม้เราต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายอย่างนั้นเหมือนกันแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้บรรลุธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลาย มาบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตักเท่านั้นยังไม่อาจเข้าใจความหมายที่นายต้องการให้ทำแต่เมื่อถูกแทงจนขนร่วงนั่นแหละจึงรู้สึกแล้วปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามที่นายต้องการฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงได้ยินข่าวเจ็บและข่าวตายของผู้อื่นเท่านั้นยังไม่เกิดสังเวชสลดกิจแต่เมื่อได้เห็นด้วยตนเองซึ่งคนแก่ คนเก็บและคนตายจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายหมาบางตัวเพียงแต่เห็นเงาประตักและถูกแทงจนขนร่วงก็ยังไม่รู้สึกเมื่อถูกแทงจนทะลุหนังเข้าไปจึงรู้สึกและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนายฉันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้น เพียงเห็นคนแก่คนเจ็บหรือคนตายและได้ยินได้ฟังข่าวเช่นนั้นไม่กอ่อให้เกิดความสังเวชสลดจิตได้ต่อเมื่อญาติสายโลหิตมิสหายอันเป็นที่รักที่พึงใจเจ็บหรือตายลงจึงเกิดสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุคุณธรรมเบื้องสูงภิกษุทั้งหลายมาบางตัวเพียงได้เห็นเงาประตักถูกแทงจนขนร่วง ถูกแทงจนทะลุผิวหนังเข้าไปก็หาเข้าใจถึงสิ่งที่นายต้องการให้ทำไมมต่อเมื่อถูกแทงจนจดกระดูจึงรู้สึกและเข้าใจในสิ่งที่นายต้องการให้ทำชันใดบุคคลบางคนก็ฉันนั้นเพียงแต่ได้ยินได้ฟังหรือเห็นญาติพี่น้องเจ็บและตายก็ไม่เกิสังเวสรลดจิตต่อเมื่อตอนเองเจ็บและเจ็บเจียนตาย ใกล้ต่อมรณะสมัยจึงรู้สึกสังเวชสลดจิตแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรุคุณธรรมเบื้องสูง แ ล, แล้วแล้วพระพุทธองค์จึงตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายมาซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสประการควรเป็นม้าทรงของพระราชาสประการนั้นคือมีความซื่อตรงมีเชาดีมีความอดทนและมีลักษณะสงบเรียบร้อยภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณสมบัติสประการก็เหมือนกัน คือมีความซื่อตรงไม่หลอกลวงไม่คดในข้องอในกระดูกมีเชาวดีในการรู้อริยสัจมีความอดทนอย่างยิ่งและมีการสำรวมตนสงบสเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ประพฤตตนเอะอโวยวายเยี่ยงนักเลงสุราบานก็สมควรเป็นทักขิเนยบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกภิกษุทั้งหลายเราเคยกล่าไวไว้มิใช่หรือว่า ถ้าจะดูความเป็นบ้านในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอร้องรำทำเพลงถ้าจะดูความเป็นเด็กในหมู่สงก็จงดูตรงที่เธอยิงฟันหัวเราะในลักษณะปล่อยตนเหมือนเด็กชาวบ้านดูก่อนท่านทั้งหลายพระอานนุ์กล่าวต่อไปพระพุทธองค์เคยตรัสกับข้าพเจ้าไว้ว่าอา น, นุ์เราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุทถนอม อย่างที่ช่างหม้อทํากับหม้อที่ยังเปียกยังดิบอานนท์เราจักขนาบแล้วขนาบเล่าไม่หยุดหย่อนเราจักชี้ให้เห็นโทษของกิเลสบาปธรแล้วแล้วเล่าเล่าไม่หยุดหย่อนอานนท์เอ๋ยผู้ใดมุ่งหวังมรรคผลเป็นสำคัญในการประพฤติพรหมจรรย์ผู้ใดเป็นสาระมีประโยชน์ผู้นั้นจึงจักอยู่ได้ ท่านทั้งหลายด้วยประการชนีแหละข้าพเจ้าจึงขอประกาศลงโพรหมทันแก่พระช น, นะเพื่อเธอจะได้สํานึกตนและปฏิบัติตนในทางที่ชอบต่อไปพระอ น, นุลกล่าวจบสงทั้งสิ้นเงียบเป็นการยอมรับประกาศนั้นด้วยอาการดุษเนีพระช น, นะได้ทราบว่าบัดนี้สงได้ประกาศลงโพรหมทันแก่ตนแล้ว เกิดสังเวชสลดจิตกลับประพฤติตนดีมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังพระเถระทั้งหลายในไม่ช้าก็สำเร็จพระอรหัตผล าโกสัมพีราชธานีแห่งแคว้นวังสักพระพุทธอนุชาผู้ประเสริฐได้เดินทางเลียบลำน้ำยมุนาขึ้นไปตอนบนสู่แคว้นกุรุซึ่งมีนครอินทปัตเป็นเมืองหลวงและจะริ่กไปในแคว้นต่างๆอีกหลายแคว้นจนกระทั่งหวนกลับมาสู่ลุ่มแม่น้ำคงคาวนเวียนอยู่ณนะลุ่มแม่น้ำคงคาตอนบน แห่งแคว้นปัญจาระซึ่งมีนครหัสติ น, นาปุระหรือฮาสดินบุรีเป็นราชธานีอันว่าแคว้นปัญจระนี้มีแคว้นโกสลอยู่ทางทิศตะวันออกมีแคว้นกุรุอยู่ทางทิศตะวันตกมีหิมาลัยบรรพดอยู่ทางทิศเหนือและแม่น้ำคงคาอยู่ทางทิศใต้เป็นแคว้นที่มั่งคั่งพรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากหลาย มีทุ่งสาลีเกษตรเหลื้ยงอารามมองดูสุดสายตาประดุดปูด้วยหนังโคสีแดงมีดงมะพร้าวเรียงรายยาวเหยียดบางแห่งพื้นที่ประดับด้วยต้นชงโคดอกสีแดงเข้มบานสะพรั่งเรืองอุไรยเย็นตาทัศนาการไปทางทิศเหนือจะเห็นทิวเขาหิมาลัยสูงตรงานเสียดฟ้า บางยอดถูกปกคลุมด้วยหิมะตลอดเวลาฮิมาลัยบันพดแดนเกิดแห่งนิยายและเป็นที่รื่นรมย์อย่างยิ่งของผู้สละโลกีมุ่งสแสวงหาสันติวรบทมองไปทางด้านใต้จะเห็นแม่น้ำคงคาไหลเอื่อยเป็นเส้นเลือดใหญ่ของชมพูทวีปเป็นจุดรวมใจของชาวพาระตะแทบจะทุกคนมอบความไว้วางใจไว้ ให้พระแม่คงคาเป็นผู้กำ ร, รมชีวิตของตนทั้งด้านชำระมุนทินภายในและด้านเกษตรกรรมณริมฝั่งแม่น้ำคงคาต่อเหนือมีชงโคขึ้นระดะับแม้ไม่สู้จะเป็นระเบียบนักแต่ดอกอันงามเย็นตาของมันก่อให้เกิดความเย็นใจเมื่อได้เห็นเป็นสถานที่ร่มรื่นสงบมิใช่ทางสัญจร จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสมณะผู้แสวงหาวิเวก วันนั้นพระพุทธอนุชาจาริกเพียงผู้เดียวด้วยจุดประสงค์คือแสวงหาที่วิเวกเพื่อพักผ่อนเมื่อผ่านมาเห็นชงโคมีดอกงามบานสะพรัง่งและดูบริเวณเป็นที่รื่นรมจึงแวะเข้าพักผ่อนใต้ต้นชงโคซึ่งมีใบหนาเงาคล้มต้นหนึ่งตรงเบื้องหน้าของท่านมีสะซึ่งเกิดเองตามธรรมชาติ มีปทุมชูดอกสลอนน้ำใสยเย็นและจือสนิท ด, ดีท่านได้ดื่มและล้างหน้าเพื่อระ ง, งับความกระหายแล้วนั่งพักอยู่ณที่นั้นจนตะวันรอนแดดอ่อนลงสอดลอดใบไม้ลงมาเป็นรูปต่างๆ ง, งามน่าดูเสียงนกเล็กๆบนกิ่งชงโคร้องทักทายกันอย่างเพลิดเพลิน แสดงถึงจิตใจที่ชื่นบานมันมีความสุขตามประสาสัตว์ความสุขเป็นสิ่งหาได้ในที่ทุกแห่งและทุกฐานะเว้นแต่บุคคลจะไม่รู้จักมองหาเท่านั้นพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามารถจะหาความสุขได้แม้ในสถานะที่น่าทุกข์ตรงกันข้ามกับคนเขาแม้จะอยู่ในฐานะที่น่าจะสุข ก็มีแต่ความทุกข์ร้อนเศร้าหมองเสียร่ำไปถ้าเราฝึกใจให้อดได้ทนได้อยู่เสมอๆ เ, เราจะมีความสุขสบายขึ้นอีกมากโลกนี้มีคนร้ายและเรื่องร้ายมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและในฐานะใดย่อมจะต้องพบคนร้ายและเรื่องร้ายทุกหนทุกแห่งถ้าสามารถกลับเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้นั้นเป็นเรื่องประเสริฐ แต่ถ้าไม่สามารถกลับเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีได้ในทันทีก็ลองอดทนดูเป็นการศึกษาสถานการณ์และศึกษาบุคคลพร้อมๆกันไปนานๆเข้าเรื่องที่เขาเข้าใจว่าร้ายในเบื้องต้นอาจจะเป็นผลดีแก่เรามากในบ้านปลายจงดูเถิดขยะมูลฝอยที่ใครๆทิ้งลงทิ้งลงแต่พื้นดินก็สามารถรับขยะมูลฝอยนั้นไว้ได้ การเวลาล่วงไปล่วงไปขยะมูลฝอยนั้นกลายเป็นปุ๋ยที่ดินตรงนั้นกลายเป็นดินดีมีคนต้องการมีราคามากปลูกพืชผักอะไรลงก็ขึ้นเร็วและสวยงามคนที่ฝึกตนให้อดได้ทนได้มักจะเป็นคนดีมีค่าแก่สังคมอย่างมากสถานที่จำกัดทรัพยากรธรรมชาติมีน้อย แต่คนเพิ่มมากขึ้นนานวันไปมนุษย์ยิ่งจะต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินมากขึ้นความบากบั่นอดทนก็จะต้องใช้มากขึ้นนอกจากนี้ในสังคมมนุษย์มีทั้งคนดีและคนเลวมีอัธยาศัยประนีและอัธยาศัยสามยิ่งผู้น้อยที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ที่มีอัธยาศัยสามเห็นแก่ตัวและโหดร้ายด้วยแล้ว เขาจะต้องกระทบกระเทือนใจและอดทนสักเพียงใดลองให้ผู้ใหญ่เลวๆอย่างนั้นไปอยู่ใต้บังคับบัญชาของคนอื่นดูบ้างสิเขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่เลวหรือไม่แต่ก็มีอยู่บ้างเหมือนกันหรือบางทีก็มีอยู่เสมอๆที่ทำให้เราต้องประหลาดใจว่าเหตุไฉนคนเลวๆอย่างนี้จึงเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาได้มันเป็นเรื่องของกรรม ที่สลับซับซ้อนสุดที่จะแยกแยะให้ถีทวนด้วยปัญญาสามัญบัดนี้ พระอาทิตย์รับขอฟ้าไปแล้วทิ้งไว้แต่ร่องรอยแห่งแสงสว่างเพียงรางๆเสมือนดรุณีไว้กำดัดยิ้มด้วยความเบิกบานใจเมื่อหยุดยิ้มแล้วรอยแห่งความร่าเริงก็ยังเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉะนั้นพระพุทธอนุชาตั้งใจจะถือเอาโคนชงโคเป็นที่พักกายในราตรีนั้นแต่พอท่านเอนกายลง พิงโคนชงโคนั่นเองได้เหลือเห็นชายหญิงคู่หนึ่งเดินมาถือหม้อมาคนละใบมุ่งตรงมาสูส่ศักซึ่งได้มองเห็นสมณะนั่งพิงโคนชงโคอยู่เขาจึงเดินอ้อมสักมาพอเห็นชัดว่าเป็นสมณะสักยบุตรเขาจึงนั่งลงไหว้แล้วชายผู้นั้นก็กล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณะกพเจ้าอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานาน ไม่เคยได้พบได้เห็นสมณะผู้ใดมาเยือนสถานที่นี้เลยข้าพเจ้าทั้งสองแม้จะม่ใช่เจ้าของถิ่นโดยแท้จริงก็เหมือนเป็นเจ้าของถิ่นข้าพเจ้าขอต้อนรับท่านสมณะผู้เป็นอคันตุ ก, กะด้วยความรู้สึกเป็นมิตรและถือเป็นโชคดีที่ได้พบท่านผู้สงบ อูก่อนผู้มีใจอารีพระพุทธอนุชากล่าวตอบขป้าเจ้าขอขอบใจในไมตรีจิตของท่านทั้งสองและถือเป็นโชคดีเช่นกันที่ได้พบท่านซึ่งขป้าเจ้ามิได้คาดหวังว่าจะได้พบในป่าเปลี่ยวเช่นนี้ชายหญิงทั้งสองแสดงอาการพอใจต่อคำกล่าวที่ไพเราะและแสดงความเป็นมิตรของพระพุทธอนุชาแล้วกล่าวว่า ท่านผู้ประเสริฐเวลานี้ก็จวนค่ำแล้วท่านมีที่พำนักณแห่งใดเป็นที่ประจำหรือท่านเป็นนักพรตผู้จาริกไม่อยู่เป็นหลักแหลง่งขปเจ้าเป็นนักพรตผู้จาริกไปตามอธัธยาศัยไม่ติดที่หรือยึดถือที่ใดที่หนึ่งเป็นแหล่งของตนขพเจ้าพอใจการกระทาเช่นนี้พระอนุนตอบข้าแต่สมณะ ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าใคร้ขอเชิญท่านทำนักนักกระท่อมของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีกระท่อมอยู่สองหลังหลังหนึ่งเพื่อข้าพเจ้าและพัญญาอยู่อาศัยอีกหลังหนึ่งเพื่อเก็บของเล็กๆน้อยๆถ้าท่านไม่รังเกียจและยินดีรับคำเชื่อเชิญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเก็บของเล็กๆน้อยๆไว้อีกมุมหนึ่งส่วนอีกมุมหนึ่งพอเป็นที่พักของท่านได้อย่างสบาย มีประตูหน้าต่างเปิดปิดได้สะดวกมีลมพัดเย็นถ้าท่านรับคําเชื้อเชิญข้าพเจ้าจะยินดีมากข้าพเจ้าจะได้สนทนากับท่านผู้ประเสริฐให้เป็นที่เอื้อิอีงใจข้าแต่อาคันตุกะข้าพเจ้าเคยสดับมาว่าการได้เห็นการได้เข้าใกล้และการได้สนทนากับสมณะนั้นเป็นมงคลข้าพเจ้าต้องการมงคลเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน เขากล่าวจบหันมามองดูพัญญาเหมือนเป็นเชิงปรึกษาสตรีผู้นั้นจึงกล่าวขึ้นว่าข้าแต่สมณนะถ้าท่านยังไม่มีกิจขงวลเรื่องอื่นหรือไม่เป็นการรบกวนความวิเวกสงัดของท่านก็โปรดรับคำอาราธนาของข้าพเจ้าทั้งสองด้วยเถิด พระพุทธอนุชาดำริว่าสามีพัญญาทั้งสองนี้ดูท่าทีเป็นผู้มีตระกูลและได้รับการศึกษาสูงแต่เหตุฉนหนจึงมาซ่อนตัวเองอยู่ในป่าเปลี่ยวดูวัยก็ยังหนุ่มสาวคงจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่น่าสนใจบ้างกระมังการสนทนากับผู้เช่นนี้คงไม่ไร้ประโยชน์เป็นแน่แท้คิดดังนี้แล้วท่านจึงกล่าวว่า ดูก่อนผู้ใจอารีข้าพเจ้ายินดีรับคำเชื้อเชิญของท่านสามีปัญญาทั้งสองแสดงอาการพอใจอย่างยิ่งแล้วชวนกันลงตักน้ำในสระคนละหม้อแล้วเดินนาพระพุทธอนุชาไปสู่กระท่อมน้อยจัดของเล็กๆน้อยๆไว้มุมหนึ่งปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะจนสะอาดเรียบร้อยแล้วเชื้อเชิญพระพุทธอนุชาให้นั่ง นำน้ำมันมานวดเท้าส่วนพัญญาของเขากลับไปยังกระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยดูก่อนผู้มีใจอารีพระ อ, อนุน์กล่าวกระท่อมของท่านนี้แม้จะอยู่ในป่าแต่ก็ปลูกสร้างอย่างดีน่าอยู่น่าอาศัยสะอาดเรียบร้อยเป็นการแสดงถึงอัธยาศัยประนีตแห่งเจ้าของข้าแต่อาคันตุกะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณในคำกล่าวของท่านอันหนึ่งป่าชงโคนี้เป็นสวรรค์ของข้าพเจ้าเป็นที่ที่ข้าพเจ้าพอใจที่สุดข้าพเจ้าอาศัยอยู่อย่างสงบสุขข้าพเจ้ากล่าวว่าสงบสุขเป็นความถูกต้องโดยแท้คือทั้งสงบและสุขรวมกันอยู่ในกระท่อมน้อยและในป่าชงโคนี้เขากล่าวแล้วยิ้มอย่างภาคภูมิใจ ดูก่อนผู้มีใจอารีเหตุไฉนท่านจึงพอใจป่าชงโคนี้เป็นนักหนาดูท่านยังอยู่ในวัยหนุ่มและปัญญาของท่านก็ยังอยู่ในวัยสาวคนหนุ่มสาวน่าจะพอใจในแสงสีแห่งนครหลวงมากกว่าจะยินดีในที่สงัดเปล่าเปลี่ยวเช่นนี้ท่านถือกาเนิดหรือภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่นี่หรือหาไมิได้ท่านสมณนะ ขป้าเจ้าเกิดแล้วในถ้ำกลางพระนครหลวงทีเดียวเขาตอบคำกล่าวของท่านยิ่งทําให้ขป้าเจ้าประหลาดใจมากขึ้นพระอนอนท์กล่าวเป็นของหน้าประหลาดเกินไปหรือท่านชายหนุ่มกล่าวที่คนหนุ่มอย่างขป้าเจ้ามาพอใจนิวิเวกดําเนินชีวิตอย่างสงบประหลาดมากทีเดียวพระอนอน์รับเพราะเหตุใดหรือชายหนุ่มถาม เพราะคนส่วนใหญ่หรือโดยมากในวัยท่านนี้ย่อมพอใจในความสนุกเพลิดเพลินอีกแบบหนึ่งคือแบบที่คนส่วนมากเขานิยมกันคลุกคลีอยู่ด้วยหมู่คณะและอารมณ์เย้ายวนต่างๆแต่ท่านไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ประหลาดมีเหตุการณ์อะไรกระทบกระเทือนใจท่านอย่างรุนแรงหรือ หรือท่านมีอธัธยาศัยน้อมไปในวิเวกตั้งแต่ยังเยาวข้าแต่อาคันตุ ก, กะชายหนุ่มกล่าวกบเจ้าเข้าใจว่า ทุกคนน่าจะมีหัวเลี้ยวแห่งชีวิตที่สำคัญที่สุดสักครั้งหนึ่งในชีวิตของแต่ละคนและหัวเลี้ยวนั้นเองจะเป็นสาเหตุที่เขาดำเนินชีวิตที่ยืดยาวไปจนกว่าชีวิตจะจบลงข้าพเจ้ามีหัวเลี้ยวชีวิตอยู่ตอนหนึ่งซึ่งทำให้ข้าพเจ้าเลี้ยวมาทางนี้และเข้าใจว่าข้าพเจ้าจะดาเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปจนสิ้นลงปราน บัดนี้เวลาของรายการใกล้สิ้นสุดลงแล้วเราก็ฟังมาถึงพระอานนต์ออกเที่ยวไปในวิเวกจนถึงป่าชงโคซึ่งเป็นป่าที่ร่มรื่นสงบเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมขณะที่ท่านพิจารณาธรรมอยู่นั้นก็บังเอิญไปพบชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งมาพักอาศัยอยู่ในป่าและเจ้าของบ้านก็ได้เชื้อเชิญท่านอ น, นุ์ให้ไปพักร่วม สนทนากันที่บ้านด้วยอธัธยาศัยอัน ง, งามพระอนุนก็ไปตามคำเชิญก็ให้รู้สึกแปลกใจที่ใช้หนุ่มหญิงสาวคู่นี้พากันมาอาศัยอยู่ในป่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านติดตามในตอนต่อไปบัดนี้เวลาของรายการได้สิ้นสุดลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนโมเลนิธิธรรมสันติ ซึ่งตั้งอยู่ที่หกสิบเจ็ดทับหนึ่งซอยประสาศิลคลองกลุ่มบางกะปิกรุงเทพขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยพุทธวจนะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดคือบ้านก็ตามป่าก็ตามที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นย่อมเป็นภูมิอันน่ารื่นรมจเจริญธรรม